ก็ความเจริญในธรรมจง ม, มีได้ท่านทุกฝังเท่าไรแต่รมประโภติญาณในวันนี้ก็คงขยายเรื่องสีละบา ร, รมีต่อไปในสีลหมวดต่อไปนั้นก็ท่านเน้นไปที่สี่ของนัก บ, บวชประเภทภิกษุกับภิกษุณีเป็นสีลโดยสรุปนะฮะคือถ้าเรานับข้อกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสีลท่ามีแค่สีข้อแค่นั้นเองแต่ว่า ในภาคปฏิบัติมันเป็นสี่หมวดขนาดใหญ่ถ้าย่อยออกมานับมันก็เป็นพันๆข้อแต่ก็สรุปไว้เพียงสีข้อแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปไว้เพียงข้อเดียวก็มีนะก็มีเครื่องบดีท่านหนึ่งท่านมีกุศลในเจตนาต้องการศึกษาปฏิบัติศีลในพระพุทธศาสนาท่านก็หัดปฏิบัติมาโดยดําดับมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย ออกบวชเป็นภิกษุพอเป็นภิกษุขึ้นมาเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์เรื่อไขายยการเป็นพระเนี่ยนะระเบียบแบบแผนต่างๆโดยเฉพาะเบื้องต้นเนี่ยจะต้องศึกษาสำเนียดฝึกปรืออบรมอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องบางครั้งบางคราวก็ต้องทดสอบสภาพจิตใจนะเพื่อดูความแข็งแกร่งความพร้อมก็ท่านเหล่านั้นฉ่นก็เห็นว่ามันรุงรังมันเหมือนกับไปนอนอยู่กลางน้า ขยับตัวไม่ได้กรน้ําตามเรื่อยก็คิดจะสึ้เพื่อนก็ชวนมาพบพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงอย่างรู้นะฮะก็ว่าปัญหามาอยู่ตรงไหนก็รับสั่งถามว่าเป็นไงรู้สึกมากไปไหมคือาการสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองให้อบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะนําไปสู่การพูดจากันรู้เรื่องชัดเจน วันถ้าราลองสังเกตว่าถ้าพระมีปัญหาแล้วเนี่ยบรรยากาศพอเข้าเฝ้าในจะอบอุดมากพระเจ้าจะให้การอาทรเอื้อเฟื้อเอาประไทยใส่แล้วก็เข้าประไทยในท่านเหล่านั้นแล้วก็ค่อยๆรับสั่งไปเรื่อยๆพอจิตใจท่านพร้อมก็จะเน้นเป้าหมายที่ทรงวางไว้จึงถือว่าเป็นวิธีการบริหารบุคคลที่ยอดเยี่ยมมาก เป็นหมดอนะฮะคือเป็นทุทกสถานนะก็รับสั่งว่ามารู้สึกว่ามากไปเหรอือท่านบอกว่ามากไปรับสั่งว่าถ้าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างจะได้ไหมรักษาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องรักษาแล้วท่านบอกว่าได้พระยารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นในรักษาจิตยอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดออกข้างนอกออกแล้วยังอื่นเธอไม่ต้องรักษาคือในความรู้สึกของท่านเนี่ยก็เห็นว่าน้อยนะ แต่ว่าในภาคสนามจริงๆแล้วเนี่ยรักษาได้ลึกซึ้งไปถึงธรรมะนะไม่ใช่ไปถึงสมาธินะแต่รักษาจิตได้อย่างเดียวเนี่ยพัฒนาไปถึงปัญญาเพราะว่าจริงๆเนี่ยทําต้องปวงมันรวมลงที่จิตอย่างเดียวแต่นั้นเองถ้าจิตตั้งไว้ถูกต้องแล้วไปฉิวไปเลยมันอยู่ที่จิตเราตั้งไว้ยังไงเราคิดอย่างไงเรามองอย่างไงมองให้มันยุ่งมันก็ยุ่งนะมองให้มันยุ่งมันก็ไม่ยุ่งหรอก อยู่ที่เราคิดยังไงเท่นั้นเด็กเพราะฉะนั้นจำวจนวนศีลมันเป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นเป็นเงื่อนไขเบื้องตน้นเป็นแบบไม้บรรทัดที่จำเป็นจะต้องใช้บรรทัดจำเป็นจะต้องใช้ในการเขียนหนังสือตอนต้นๆนะนะแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเขียนหนังสือคล่องแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นอะไรก็เขียนได้อยู่แล้ว ศีลจะมีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นบันไดที่ยกขึ้นสู่ธรรมะพอถึงธรรมะแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปนับข้ออะไรมันก็ไปเองโดยธรรมชาติเขานะะคือเป็นศีลเป็นศีลโดยไม่ต้องสํารวมระหว่างงดเวน้นเกิดการเคลื่อนไหวเป็นศีลที่เขาพูดกันว่าในชั้นแรกเนี่ยเรารักษาศีลในชั้นต่อมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนการรักษาในชั้นต่อไปในศีลจะรักษาเรา หมายความว่าการเคลื่อนไหวการพูดการกระทําการนั่งการยืนการเดินการกินแต่ทั้งหมดของเราเนี่เป็นศีลไปโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุท ธ, ธลีลาคือการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าที่จึงเป็นการสะท้อนธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมรับสั่งก็มาเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมมันจะท้อนจากประไทัยที่เป็นโล ก, กุตระของพระองค์คือก็ถึงความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องของใจสิกขานะฮะ ทีนีศีลข้อนี้ศีลตี น, น, นของพระเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริสุทธิศีลหรือจัตุปาบริสุทธิ์ศีลเรศีลที่เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ในสี่เรื่องเรื่องแรกเขาเรียกาปาติโมกขสังวรคือสำรวมระวังตามบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยเป็นทรรนองห้ามแต่ไม่ได้ถึงกับห้ามนะครับ ก่อนได้ยินผู้ใหญ่ระดับนำของสังคมนะฮะไปพูดบอกพุษธศาสนามีแต่ห้ามห้ามม้าม้ามามไม่มีสักคำหนึ่งนะห้ามไปดูเถอะทีไหนก็ได้ห้ามค่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์เราพูดกันเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าเพียงแต่รับสั่งแสดงว่าคนดีในโลกนี้ขอ ง, งดเว้นจากการข่าสัตว์ ไม่พกพาสตว์ราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายถ้าเราต้องการเป็นคนดีก็ทำไม่ต้องแปลงเป็นคนดีก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกรรมหมายความาถ้าเราำทำทำกรรมใดไว้เราก็ต้องเป็นผู้รับผลกับนั้นในตัวของเราเองศาสนาไม่ได้มีอพิสิทธ์อะไรที่มาห้ามคนนะฮะคือคนไม่ได้อยู่ในปกครองศาสนาแต่ว่าคนนั้นเป็นเพื่อนกับศาสนา เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในด้านความรู้สึกของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพี่ชายคนโตของชาวโลกนะเพราะอะไรเพราะว่าชาวโลกเนี่ยเหมือนกับไอ้ลูกไก่ที่มันอยู่ในกระป๋องฟองไข่กระป๋องฟองไข่ของโลกก็คือกระปาะของอวิชาชาวโลกนีนมีแต่ความไม่รู้นี่เยอะเพราะวันพระพุทธเจ้าก็ทําลายกระเปาะฟองเกิดวิชามาได้ก่อนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพี่ เมื่อก็พี่ของชาวโลกแต่นั้นเองเราจึงเรียกว่าโลกกเชก็เป็นผู้นําของน้องๆ น, นะฮะแล้วก็เป็นผู้อะไรอนุเคราะห์อนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อจะทําตนให้เป็นที่พึ่งของคนที่เป็นน้องๆพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ลอยตัวไปอยู่ในสวงสวรรค์ ไม่ได้เป็นแตะบ้องไม่ได้นะฮะต้องมีแต่ประจบเอาแจงตรองไหว้กราบรองพี่นอพี่เทาไม่งั้นจะลงโทษพิโรตกิ้วของพระเจ้าไม่เมียไม่มีกิ้วใครเพราะไม่มีกิเลสเป็นเอกิ้วแต่ในภาคของการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันก็ต้องใช้สื่อธรรมดาเนี่ยสื่อธรรมดาเช่นว่าเราก็สอนเด็กสอนเด็กบางทีก็ใช้เสียงดังหน่อยเพื่อให้รู้ว่าไม่ถูกตรงนั้นเนีน่ยนะไม่ถูกแต่เราก็ไม่ได้โกรธอะไรอ่ะ เพียงแต่ใช้เสียงให้ดังขึ้นเพื่อเตือนเป็นสัญญาณบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกอย่างนี้ไม่ดีนะเด็กก็จะได้สะดุดเอเสียงโทนเสียงมันสูงขึ้นจนเสียงมันสูงขึ้นมันต้องคิดใหม่แล้วทํำยังไงจึงจะเป็นที่พอใจของพ่อแม่บางทีเราก็บอกบางทีก็ไม่ต้องบอกเพราะในปฏิโมกับสังวรศีลมันจึงมีใกล้ใกลกับข้อห้ามเช่นสมมติว่าเนี้บอกว่าพิกซูฆ่าสัตว์ต้องอาบัติปจิตี ถามว่าฆ่าได้ไหมก็ฆ่าได้แต่ว่าต้องอาบัตมันไม่ใช่เป็นห้ามว่าคุณฆ่าไม่ได้ถึงเราห้ามเขาก็ฆ่าได้นะเห็นว่ากฎหมายนี้ห้ามแตวฆ่าเกาฆ่าฆ่าเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาผู้ดเทศต้องไปหยิบตีถามผูดเด้เทศได้ไหมก็เราจะบอกไม่ได้นะไม่ได้เราเขาก็พูดเ่าเขาพูดเขาก็ต้องอาบัตในฐานะที่เป็นพระ อย่างหนึ่งเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเขาเรียกอภิสมาจาร์คือมันย่าที่ควรประพฤติควรจะปฏิบัติอย่างไงเนี่ยอย่างที่บอกพระเจ้าจะสอนละเอียดมากเช่นการใช้ห้องน้ําการอาบน้ําการถูตัวในอะไรมาถูนะฮะคือบางอย่างถูแล้วเนี่ยเป็นอันตรายเสี่ยงต่ออันตรายแกร่างกายเช่นไปถูกระเสาซึ่งไม่เรียบอาจจะบาดเอาที่หลังก็ได้ไม่ให้ถูถือถูด้วยเชือกที่มันอาจจะ ไปทำผิวหนังชอกช้ํำในห้ามไม่ให้ทูเป็นต้นนึงนั่นก็แสดงว่าเรามัระวังสุขภาพอวัยวะของคนไม่ให้ถูกทํำลายไปเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของคนเหล่านั้นเป็นเรื่องของอภิสมาจาร์คือมัญญ่าติวนประพฤติตั้งยังไงเดินยังไงเดินยังไงเคี่ยวกินยังไงอะไรต่อเนี่ยเป็นมัญญ่าติวนประพฤติ แล้วก็ข้อต่อไปนั้นก็คืออินเสียสังวรและินตรงนี้เจอเรื่อยนะับทำไมเจอเรื่อยเพราะโลกเรามันเป็นโลกสัมผัสแต่มันยุ่งยุ่งเนี่ยยุ่งเพราะตาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปแสไปสายไปรับรู้ไปปลูกพันไปยึดเหนี่ยวออกกับสิ่งนั้นๆก็ทำให้เกิดอาการที่มีปัญหาเพราะในการสำรวจระวังในทีนี้จะต้องจับประเด็นให้ได้นะ เดี๋ยวบางทีจะมาอย่างตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวมันการว่าแม้แต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเออไอตอนเราบวชใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าท่านสอนถูกกันนะแต่ว่าต่อมาพอศึกษาคุณพ่อเอท่านจับประเด็นเดียวเนาะเพระาะอะไรเพราะสอนทำรวมระหว่างอินรียเวลาตายเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นเล้มรอดกายถูกต้องเห็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังไม่ผ่านมาแต่เราก็รู้ว่ามันมีปัญหาเราก็ไม่ไป ไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่ลิ้มไม่จับต้องตัดกระแสปัญหาไปเลยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องเจอแล้วเจอแล้วพอเจอแล้วก็สํารวมที่จิตอย่าให้เกิดความกําหนัดในทางเพศอย่าให้เกิดความโลภในสิ่งของอย่าให้เกิดความขัดเคืองในตัวคนอย่าให้เกิดความรุ่มหลงในเหตุการณ์หรือสิ่งของหรือบุคคลกระทำแล้วอย่าให้ประมาทอย่าตัวเองยอย่าประมาทมล้ก็เป็นหลักการปฏิบัติ ที่คุ ม, มที่ใจเราเองแต่ถ้าเห็นแล้วได้ยินแล้วสุดดมแล้วได้ลิ้มแล้วได้จับต้องแล้วได้เหนียนนึกถึงนึกแล้วมันเกิดเป็นคลายคำนัดคลายโลภะคลายโทสะนะคลายโมหะคลายความไม่ประมาคลายความประมาทลงไปมันก็ใส่ใจก็สนใจนะฮะมันไมจะสํารวมระวังไปหมดทีนี้ปฏิความเป็นสํารวมระวังไปหมดแล้วมันก็เกิดยุ่ง นะเช่นเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยอาตมาเคยอยู่ต่างจังหวัดอต่ยังนึกโอ้โหมันเล่นกันอย่างงี้คือที่บ้านเนี่ยที่ ท, ท, ที่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการเล่นการละเล่นเนี่ยที่มากก็คือหนังตะลุงกับมโนราแล้วก็เล่นกันเล่นที่วัดนะวัดก็เป็นวัดปนอนนอัญโหนตอนที่มีมโนราเล่นในวัดเนี่ยอาจารย์เราไปขังไว้ในห้องเลยให้คนส่งอาหารเพนเนี่ยนะโรงงานเพนให้เราก็อยู่ในห้องก็แย่เลยอาบน้าก็ไปในอาบก็อยู่ทุกทรมานมากเลย ไม่ให้เดินฉาบกลายไปที่ใดไปนันขาดดีนะฮะไม่อุดหูซะด้วยตจนี้ก็เ อ, อนะิเนี่ยท่านก็คิดของท่านน่ะคิดตามตามประสาความรู้ความคิดของท่านท่า น, นั้นท่านก็คิดได้เท่า น, นั้นท่านก็ทําตามจารีตที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยแต่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะ่ะทวิณันเนี่ยเขาว่าไปเพื่อจะดูเขาห้ามเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยฮะ เดีว แ, แต่เราเดินผ่านไปเนี่ยไม่ใส่ใจที่จะรู้เราไม่ได้ผ่านไปเพื่อจะดูมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ๆก็พระเวลาหม่มจีบอไม่ใช่เวลาจะไปไหนนะฮะเวลาจะไปไหนในที่ใดเนี่ยถ้าเวลาหลังเที่ยงแล้วนี่ต้องลาพระที่อยู่ในวัดจะเข้าบ้านเนี่ยต้องลาแต่ที่จริงเราไม่ได้เจตนาจะไปบ้านนะแต่เราต้องเดินผ่านบ้านเพื่อจะไปวัดหนึ่งนี่ไม่ต้องลานะฮะ นั่นคือตัวอย่างที่จะต้องมองให้เกิดความเข้าใจที่ต่อเ น, นื่องการตกลนระวังอินทรีย์ของเราบางทีเนี่ยทําให้ปิดหูปิดตาพระเลยพระกลายเป็นคนตกโลกไปเกิสํารวมระวังในกรณีที่เพรม ก, กิเลสเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ให้ดมนะเพราะว่าอะไรเพราะาแม้แต่การลเล่นการแสดงการร้องรําทําเพลงอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งจิตใจของท่าน มีความหนักแน่นมั่นคงทั้งก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ปัญหามันถึงจุดหนึ่งมันอยู่ที่ฟังอะไรไม่ใช่ฟังอย่างไรไม่ใช่ฟังอะไรนะอย่างตัวอย่างที่ง่ายๆเนี่ยวิสิตปัตตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีปัจจุบันเป็นสารนาศเป็นป่าที่พึ้นของกวางเนี่ยปต่ถ้ไม่เหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากผู้ฤาษีกลุ่มหนึ่งก็ได้ปัญญาแล้วก็เคะเลื่อนลอยมาเบื้องนาผักกาดเียเรีย ม, มานะฮะ ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงท่านก็ไม่คุ้นนะกับเสียงผู้หญิงไปอยู่แต่ในป่าไม่มีผู้หญิงไปยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงใจมันก็กระหวัดไปสนใจที่หมาของเสียงพอเห็นรูปมันก็เป็นรูปที่ท่านไม่คุ้นนั่นนะนะใจท่านก็กำหนัดตามธรรมชาติของจิตฌานก็เสื่อมนะะก็ตกลงมาเรียกอิสิ ป, ปตนะัตตะ ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของฤาษีนั้นแสดงว่าฤาษีเนี่ยมองแล้วไม่สํารวมมันเกิดความยินดีเกิดความขนาดในทางเพศแต่ก็มีพระรูปหนึ่งที่จริงเยอะนะฮะตรงนี้ยมีพระรูปหนึ่งที่น่าทึ่งมากชื่อพระสุนทรสมุทรเป็นลูกเศรษฐีเกิดศรัทธาต้องการจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชแต่ท่านประท้วงด้วยการอดอาหาร พ่อแม่เห็นท่าไม่ดีเพื่อนก็มาขอร้องพ่อแม่นะบอกให้บวชไปก่อนเถิดไม่งั้นจะตายแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังแม่ก็ยอมไม่บวชแต่ก็ส่งผู้หญิงไล่าลาเป็นเสรษอีนะฮะจ้างผู้หญิงใครก็ตามเอาลูกสายของท่านสึกกลับมาให้ครองเรือนให้ได้แล้วก็ท่านยกไปเป็นสะพาย้ะเป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สมบัติผู้หญิงก็ไล่าลากันใหญ่พลาดแทนที่จะสงบมันไม่สงบแต่ท่านก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวใครมาลาเนี่ยพี่หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาฉลาดมากเขาเก่งมาก ผูปรางสวยก็หาวิธีตีสนิทแบบโยมอุปถากธรรมดาไม่มีอะไรเลยตอนต้นๆนี่จะไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยคุ้นเคยสนิทจนท่านวางใจอนะครันี่บนท่านขึ้นไปฉันอาหารส่งเสียงรบกวนมีจ้งคนมาทํารบกวนเอามีฝุน่นมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาเอาก็โลกขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอยู่ปราสาทชั้นที่เจ็ดขึ้นไปนะครขึ้นไปฉันอาหารนะไม่อยาขึ้นไปทํำอะไร ผู้หญิงเริ่มเล่นมารยาหญิงในะยั่วยวนด้วยอุบายวิธีต่างๆสมัยโบราณเนี่ยเขามีมายาหญิงอยู่ถึงสี่สิบแปดนะสี่สิบปดวิธีเลยกันยั่วยวนสารพัดก็เรียกว่าหมดหมดภูมิกันแหละเล่นกันหมดภูมิเลยพระสุนทรสมุดเนี่ยท่านศรัทธาจริงๆแต่ท่านมาเนี่ยพระจะลองศรัทธาโยมระ น, นั้นเองเพราะงั้นก็เห็นท่าไม่ท่า ไม่ดีแล้วก็เริ่มพิจารณาอารมณ์กรรมฐานนะท่านมองผู้หญิงที่เคลื่อนไหวในเมืองกระส บ, บังเคลื่อนไหวก็พิจารณาไปเรื่อยจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดยิ่งขยับให้เรื่อนเคลื่อนไหวก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะถึงความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกของร่างกายแล้วก็เจริญวิปัสสนาพระนนท์เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้ารับสั่งอานนท์สุนทรสมุรกำลังทำสงครามใหญ่พระนนท์กลับทุนถามว่าใครจะชนะพระพุทธเจ้าข้า ประเดียวสุนทรสมุทรชนะพระเจ้ารู้นะฮะรู้ว่าสุนทรสมุติจะชนะท่านก็เจริญในปัสนาผู้หญิงคนนี้มันย้วยยวนสุดฤทธิ์นะแล้วก็สวยด้วยนะยะั่ว ย, ยวนสุดฤทธิ์ก็เรียกว่าทุ่มหมดตัวเลยแต่ว่ากลายเป็นครูในการสอนในท่านหนิ่ความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายกว่ามไม่เที่ยงแท้ของสังขารร่างกายบรรลุมรรคผลเป็นพระหันนะฮะลอยออกทางหน้าต่าง ม, มาฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประเทศตะวันนั่นคืออะไร เสื อ, อก็จริงเนี่ยปัญหามันอยู่ที่เราตีขวาเรามองอย่างไงมันไม่ใช่มองอะไรศาสนาพูดประคืดระดับหนึ่งครัปัญญามากพอแล้วเขาไม่ได้หยุมหยิ้มอ่ะเขายุ่มยิ้มในตอนต้นๆในกรณีที่เราไม่แข็งแรงพอมันเหมือนกัต้นไม้ปลูกใหม่ๆในมีต้องดามต้องป้องกันต้องรักษาถนุถนอมกันพอแข็งแกรงแล้วก็ปล่อยสู้แดดสู้ลมไปเลยเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่ายืนหยัดอยู่ในโลกได้หรือไม่มไม่ใช่ประครบประ ง, งม ก, กันจนว่าไม่ดูตามาตาเรีย พริน ส, สังวรเนี่ยต้องจับประเด็นตรงนี้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการข่าวเนี่ยเวลานี้เราจะเห็นว่าพระเราเนี่ยมีเป็นอันมากที่ไม่รู้อะไรเขาเลยนะอย่างเวีนี้ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอันตรายต่อศาสนามากสองมาตราในจะเห็นชัดเจเนนมาตราที่ห้าสิบสามกับมาตราที่สามสิบแปดแล้วต่อไปจะมีเป็ น, อ, นอันตรายทางด้านศาสนานะคือถ้าเราจะคิดถษาองค์กร าาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยศาสนานี้จะผ่าแยกรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผ่าแยกออกไปแต่ถ้าเราถือว่าอิสระใครจะทำยังไงขึ้นเขาลงห้วยกับไปตามสบายก็ดีนะแต่บ้านเมืองจะปวนไม่มีหยุดหรอกถามว่าพระรู้ไหมท่านไม่รู้อะอาตมาเคยเอาไปบรรยายให้ท่านฟังในที่ประชุมปสังขาธติการ อธิบายเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติต่างๆให้ท่านเห็นแล้วก็เชื่อมโยงกันยังไงจะคณะสงฆ์จะคิดแก้ไขยังไงจะป้องกันยังไงท่งานก็ไม่ได้คิดอ่ะเป็นปนัญหาที่น่าห่วงคือถ้าคิดรักษาองค์กรศาสนาเนี่ยตรงปรัญหาตรงนี้น่าห่วงนะแต่ถ้าไม่คิดรักษาองค์กรคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างบวช คนดังอยู่แล้วก็ชวนกันตายไปมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เมื่อจัดขึ้นเป็นองค์กรแล้วเนี่ยต้องนึกนะศาสนาเองต้องมีการข่าวที่ทรงประสิทธิภาพมากพระพุทธเจ้าเองเมีพระพุทธกิจข้อสุดท้ายเรียกว่าปัจจุเสวะคาเตกาเลครับพระพาพระเพรเปโลกกันดางเวลาใกล้รุ่งเนี่ยพระเจ้าจะต้องสวจดูสัตวโลกไปทั่วหมดกันแล้วก็ใครปรากฏในข่ายพยานก็จะเสด็จไปปลดคนเหนั้น เพราะมีการศึกษาข้อมูลมีการประเมินผลสรุปผลทุกวันเลยเพราะการข่าวที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยไม่มีใครทันองค์พระเจ้าแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทรงรู้เห็นแล้วก็เอามาเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะไม่ใช่ว่าไปยุ่งอะไรเขานะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยพระญาติทะเลาะ ก, กันนะได้รอ่างเนี่ยอยู่ไกลกันริบโลกนะฮะแต่พระเจ้าก็ไปปรากฏพระองค์ในสถ า, านที่นั้นคือทรงตวรวจดูสัตว์โลก ทุกคืนองค์กลิมาไล่ฆ่าคนก็อยู่ห่างกันตั้งรนะ้อยห้าสิบโยชน์นะกับพรธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เสด็จไปทันเสด็จไปโปรดเพราะอะไรเพราะว่าการข่าวที่มีประสิทธิภาพเป็นการข่าวที่เกิดขึ้นโดยระดับของพยานและเราก็มาไปตีความจนโอ้พระนี่ต้องเดินทอดตาชั่วแอกอาตมานี่หัดทอดหลายทีเห็นเดินได้เลย แอกนั้มันสี่สอกแต่นั้นเด็กมันทอดมันเดินกลมได้ยังไงเดินจงกรมนะได้นะฮะเดี๋ยวถ้าเดินถนนแล้วรถชนตายจะนานแล้วนะครับพระไม่เหลือหรอกถ้าไปขืนเดินต่อตาช่แอแฉกบนบนถน น, นในกรุงเทพนี่ในเมืองใหญ่ๆนะเพราะนี้เรากราะเห็นว่าบางทีมันก็ตีความกันไปจนไม่รู้ไอเนื้อหาเนี่ยมันคืออะไรเพระาะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้ปัญหาสําคัญว่าการสัมผัสโลกอย่างรู้เท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด รู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นและปฏิบัติตัวนั้นเหมาะสมไปแก่กรณีนั้น น, นที่จริงก็เหมือนกับการเราขับรถนะเราขับรถปัญหาสําคัญว่าในกรณีไหนทํำยังไงมันไม่ใช่ลงตัวว่าจะต้องขบงับตรงๆถือพวงมาลัยนิ่งๆไปตลอดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นกนะ็แล้วแต่แต่ว่าทําให้ถูกต้องแก่กรณีนั้นนั้นแต่ไม่ใช่กรณีใดกรณีหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเรามีสติระลึกรู้ทําให้ถูกต้องตามกรณีนั้นนั้นก็นั่นก็คือความถูกต้อง การสัมรวม์รองอินทรีย์จึงไม่ได้หมายความปิดหูปิดตาเป็นพระภควัมปฏิปิทวันทั้ง9้ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการมองสิ่งทั้งหลายว่าถ้าจิตใจเราจะมีปัญหาเพราะการมองเพราะการฟังเพราะการดมเพราะการลิ้มเพราะการจับต้องเพราะการเหนียวนึกจึดนึกเนี่ยมันก็บรรเทาความคิดของนั้นเจียบาง็นแล้ว่นะเห็นแล้วไนดะ้ยินแล้วแต่ว่าบรรเทาจิตแม่กำหนักกะเคืองลุกหลงบวมเมา อีกแนวหนึ่งก็คือเรียก อ, อาชีวะประดิษฐ์ที่คือการสแสวงหาการได้มาการครอบครองการบริโภคใช้สอยปัจจัยสีเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยอย่าให้มีปัญหาแน่นอนว่าการสแสวงหานั้นก็สแสวงหาตามที่จําเป็นแต่การได้มามันได้มาจากหลายแหลง่งสมมติววเขาถวายอะไรเยอะมันไม่แปลกอะไรอะนะอาตอมาเองยังมีความรู้สึกว่าถ้าใครถวายของมากๆดีเราไดเอาไปสมเคราะพ์พระเนตร แล้วก็ทําอยู่แต่ไม่ทําไม่ได้บ่อยๆนะายความมีคนถวไนมายอะไรมากๆก็เก็บเก็บเก็บไว้พอได้จังหวะแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายเอาไว้ตรงไหนล่ะอั้นพอสมควรแก่กลุ่มของบุคคลที่เราจะสงเคราะห์ในกลุ่มดังนั้นเราก็ช่วยกันทําบุญไม่ได้แปลกอะไรตอนรับไม่ได้แปลกอะไรนะแต่อย่าโลภ ก, กันแล้วทีนี้ตอนถือครองครอบครองเนี่ยมันต้องเฉลียย่ยแบ่งปันออกไปแต่ถ้าสะสมไว้เพื่อสะบัด หมายความสะสมไว้เพื่อสลัดเนี่ยสะสมไปเถอะต้องสะสมไปก่อนแต่ว่าถ้าสะสมเพื่อเก็บเอาไว้เป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแล้วการบริโภคแค่สอยก็ใช้ไปตามความจําเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นอาชีวะบริสุทธิ์แตนี้ทํายังไงจะทําได้เราต้องพิจารณาเรียกปัจจยะปัจจเวคขณะคือพิจารณาปัจจัยสีก่อนบริโภคขณะ บ, ะบริโภคหลังจากบริโภคไปแล้วเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของปัจจัยสีแต่เป็นนายบังคับชายปัจจัยสีนั่นคือ ศีล ร, ระดับที่มันประนีตขึ้นนะฮะแต่ก็เป็นบารมีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้อฟังทงั้งหลายใต้ร่มพรโพธยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี